ตามอย่างยิ่งทีเดียวสำหรับพระมาหากัสปะคือท่านไม่หวังเลยเรื่องลาบสักการะเนี่ยท่านไม่หวังท่านทั้งที่ท่านก็เป็นผู้ที่มีลาบสักการะมากมายในยังในเมื่อสมัยยังไม่ได้บวชแล้วก็เป็นต้นฉบับของการปฏิบัติทุดงคือในบรรดาพระที่ทุดงด้วยกันถือทุดงด้วยกันเนี่ยพระมาหากรสปะเนี่ยเป็นเลิศเลย อาการคดทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยไม่มีไม่มีให้ตำหนิติเตียนได้ท่านเป็นผู้เลิศในทางถือทุดงแล้วก็ยังสอนทุดงสรรเสริญทุดงคือบางคนเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้สรรเสริญทุดงนะไม่ได้กราบสอนทุดงเนะี่ยแต่ท่านเนี่ยเป็นโดยบริบูรณ์คำ คำว่าทุดงเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันมาจากทุตะนะทุตะบุคคลหมายถึงบุคคลผู้กำจัดกิเลสนี่อย่างหนึ่งทุตะวาทะหมายถึงการสอนเรื่องการกำจัดกิเลสทุตะธรรมทำเครื่องกำจัดกิเลสทำเครื่องกำจัดกิเลสนี่ก็ได้แก่อโลภะเป็นต้นส่วนคำว่าทุดงเนี่ย มาจากทุตตะบวกองค์แปล ว, ว่าองค์ของผู้กำจัดกิเลสคือองค์ประกอบหรือข้อปฏิบัติของผู้กำจัดกิเลสหรือว่าทุโตเนี่ยคำว่าทุโตภาษาบาลีได้แก่บุคคลผู้กำจัดกิเลสหรือทำอันกำจัดกิเลสนี่ท่านตั้งไว้หัวข้อไว้ตั้งหลายข้อเกี่ยวกับเรื่องทุดงเพราะนั้นใครจะประพฤติตุดงก็ต้องรู้ซะ ก, ก่อนแล้วถามใจตัวเองว่าจริงหรือเปล่า ไม่ต้องการลาบสักการะจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมันมันหายากนะที่ปฏิบัติทุดงด้วยจริงใจไม่หวังให้ใครเขารู้ว่าเราประพฤติทุดงคือคุณธรรมได้แก่ความมักน้อยนั่นแหละจะไม่ประสงค์ให้ใครรู้ว่าเรามีความดีอย่างนี้เราก็จัดกิเลสอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ทุดงเนี่ยเป็นอะไร บางท่านว่าเป็นศีลพิเศษเพราะว่ามันเกี่ยวกับกายวาจาด้วยเกี่ยวกับทางกายคือใช้ปัจจัยศีลทางกายบางท่านก็บอกว่าเป็นพรตเป็นพรตอย่างหนึ่งคือจะถือเป็นศีลไม่ได้เป็นเป็นข้อปฏิบัติบางท่านก็จับว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งเป็นกรรมฐานเป็นส่วนหนึ่งในในเกี่ยวกับข้องกับการฝึกใจจะถือยังไงก็ได้นะเพราะว่าถ้าจะถือว่าเป็นศีลพิเศษก็เกี่ยวกับเรื่องทางกาย เพราะว่ามันต้องมีการอาศัยปัจจัยทางกายคือมีจีวรบิณาบาดอย่างเนี้ยมันมาเกี่ยวข้องกับกายจะถือว่าเป็นพรตก็ได้เป็นพรตก็คือข้อปฏิบัติซึ่งทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หรือจะถือว่าเป็นสมาธิก็เอานะเพราะว่าเป็นเพ่งเลงว่าตัวสันโดษกับ ต, ตัวมากน้อยเนี่ยมันจะเกิดคาว่าทุตวาโททุตวาโทนี้หมายถึงอะไร คือบุคคลผู้ประพฤติทุดงเนี่ยแต่ไม่มีการสอนเรื่องกำจัดกิเลสก็มีบุคคลผู้ไม่กำจัดกิเลสแต่มีการสอนเรื่องกำจัดกิเลสก็มีคือเขาไม่ได้ประพฤติทุดงะแต่เขาสอนได้บุคคลผู้ไม่กำจัดกิเลสคือไม่ประพฤติทุดงและก็ไม่มีการสอนเรื่องการกำจัดกิเลสก็มีอย่างที Industries ่3อย่างที่4ี่บุคคลผู้ทั้งกำจัดกิเลสและมีการสอนเรื่องกำจัดกิเลส ในบรรดาบุคคลทั้งสี่เหล่านั้นบุคคลใดกำจัดกิเลสของตนด้วยทุดงเขาเฉพาะตัวเองแต่ไม่สอนคนอื่นเรื่องทุดงก็มีเช่นพระภักกุละเถระพระภักกุละเถระนี่ท่านประพฤติทุดงอย่างดียิ่งเลยเหมือนกันอายุตั้ง 100, ร้อดูเหมือนจะร้อยกิ่ะนะ้อยกสิปีแต่ไม่สอนใครเรียกว่าดีคนเดียว ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเองคนเดียวไม่มีใครรู้ด้วยว่าท่านประพติทุดงนะไม่มีใครรู้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้กำจัดกิเลสแต่ไม่มีการสอนเรื่องกำจัดกิเลสเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของท่านบุคคลใดไม่กำจัดกิเลสของตนด้วยทุดงแต่โอวาดสั่งสอนคนอื่นด้วยทุดงเพียงอย่างเดียวก็ มีตัวอย่างคือพระอุปนันทเถระท่านจะสอนแต่ท่านไม่ทำอ่ะสอนนะประพฤตุดงนะใครมาเป็นลูกศิษย์ใครมาอยู่ใกล้ท่านเนี่ยประพฤตุดงข้อไหนได้บ้างต้องเอาใน13ข้อเนี่ยทำไปเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่เป็นผู้กําจัดกิเลสแต่มีการสอนเรื่องกําจัดกิเลสส่วนบุคคลอีกพวกหนึ่งไม่กําจัดกิเลสของตนด้วยทุดงแล้วก็ไม่โอว่าไม่อนุสาสนีคนอื่นด้วยทุดง เหมือนพระโล ล, ะโลุทายีเถระโลลุทายีอุทายีเลอะเทอะคือไม่สอนด้วยแล้วก็ไม่ทําด้วยนี่นะแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้นะทีหลังท่านเลยเป็นนะส่วนบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยการกําจัดกิเลสและมีการสอนเรื่องกําจัดกิเลสก็เหมือนกับพระมหากัสสปะเถระนี่แหละ คือทำด้วยแล้วสอนด้วยแล้วท่านมีเหตุผลในการที่ทำอย่างนี้นะของท่านก็คือว่าเพื่อความอยู่สุขสบายของท่านคือทุ๊ดงในมันมันเป็นความผาสุขของผู้ปฏิบัติจริงๆเลยเพราะมันได้ความสันโดษมากน้อยหมดโลภะที่จะไปกังวลเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับปัจจัยสี่แล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชนรุ่นหลัง ให้ทําตามนะใ ห, ให้ได้ประพฤติตามเพราะได้ยินว่าพระมหากัรสปะประพฤติแล้วสอนเนี่ยคนจะทําตามเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้กําจัดกิเลสและมีการสอนเรื่องกําจัดกิเลสนะคือพระมหากัรสปะนี่เองส่วนทุตตะทำนะทำของทุดงเนี่ยทำเครื่องกําจัดทุดงเนี่ยท่านบอกว่ามี5ประการ ทำห้าประการอันเป็นบริวารของธุดงเจตนาคือเราจะทำทุดงเนี่ยเราต้องมีเจตนาจงใจตั้งใจเกิดขึ้นในใจก่อนว่าเราจะกำจัด ก, กิเลสแล้วนะแม้ไอ้กิเลสโลภะเนี่ยมันเบียดเบียนเราเหลือเกินเราจะบินธบาตก็ไม่สบายนะอยากได้บินทบตดนู้นบินทบาตนี้หรือจีวรเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยก็ไม่สบายใจเพราะว่าไอ้โลภะเนี่ยมันเบียดเบียนกิเลสเบียดเบียนจิตใจ เมื่อมีเจตานาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีคุณธรรมอื่นๆเกิดร่วมอีกคือความเป็นผู้มักน้อยอย่างที่หนึ่งมักน้อยนี่หมายถึงว่าหมดความอยากและก็ไม่เปิดเผยความดีของตนอันนี้เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากเพราะคนเราเนี่ยมันก็อยากให้ใครเขารู้ความดีของเรา มันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆถ้าใครเขาพูดถึงความดีของเราแล้วแม่เล็กแม่น้อยเราก็จะชื่นใจโลภะมันก็จะชื่นใจว่าเขารู้ความดีของเรานะเออเราก็มีความดีให้คนอื่นเขาเห็นอยู่มันเป็นอย่างนั้นหรือไปดูหมอเนี่ยถ้าหมอพูดถึงเรื่องดีๆที่เราจะได้เนี่ยหมอดูทำนายเราจะชอบใจแต่ถ้าเขาทำนายเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายๆของเราเนี่ย ซึ่งมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เราก็ไม่ชอบมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนั้นเป็นเรื่องที่คุณธรรมที่จะเกิดเป็นบริวานของทุดงกเจตนาเนี่ยมันเกิดยากอันที่หนึ่งก็ความเป็นผู้มักน้อยสองความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้สันโดษนี่ก็ก็ยากเหมือนกันเพราะสันโดษเนี่ยมีโดยหลักของมันมีสามยถาลาภสันโดษตามลาภ ได้ยถาภละสันโดษตามกําลังของเราที่จะใช้ลาบใช้ปัจใจสี่นั้นและก็ยถาสารูปปาสันโดษตามสมควรแก่กําลังคุณธรรมของเราในปัจใจสี่นะซึ่งซึ่งถ้าทําได้ก็มีความสุขเรียกว่าความพอเนี่ยหรือความยินดีที่ได้ได้ลาบไปอย่างไรก็ยินดีได้ลาบมาแล้วเราจะใช้อย่างไรเราก็ยินดีตามกําลังของเรา เพราะกำลังของคนที่จะใช้ลาบเนี่ยไม่เหมือนกันนะท่านอธิบายไว้โดยละเอียดแต่ในที่นี้จะยังไม่กล่าวนะประการที่สามความเป็นผู้ขัดเกลาวขัดเกลากิเลสคือดีใจที่ได้ให้กิเลสมันลดน้อยไปเรื่อยๆนะประการที่สี่ความเป็นผู้สั ง, งัดนะเป็นผู้สั ง, งัดนะก็คืออย่างที่บอ ก, ก น, นะสังหัดกายสังหัดจิตอย่างนี้ และประการที่5บอกความเป็นผู้มีสิ่งนี้คือความพอเนี่ยนะอันนี้ท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าความมักน้อยและความสันโดษนั้นคือตัวอโลพะ อ, โลพ ะ, อโลพะเนี่ยมันไปกับจัดความโลภคือไม่อยากให้ใครเขามารู้จักความดีของเราส่วนสันโดษก็อโลภะเหมือนกันแต่แปลกหน่อยว่า อารมระตัวนี้ดีดใจพอใจที่ได้ได้อย่างไรมาดีทั้งนั้นจะได้ของเลวอย่างไรก็ดีดีคือไม่อยากได้ของอย่างอื่นอีกตัดใ จ, จสี่จะเป็นอย่างไรที่คนเขาถวายมาถึงเราแล้วเราพอใจทั้งสิน้นจะไม่เป็นตำหนิว่านี่มันของไม่ดีนี่นี่มันของไม่ควรแกะมาถวายพระเช่นเราอย่างนี้จะไม่ไม่มีกิจชิดเลยถึงได้ของดีก็ไม่ไปดีใจอะไรเกินขนาด ก็เลือกว่าของนี่เหมาะแก่เราไหมไม่เหมาะก็ถวายกันองค์อื่นไปส่วนความขัดเกลาและความวิเวทจัดเข้าในธรรมะสองอย่างนะความวิเวทคือความสังัดคืออโลภะและอโมหะอะโมหะนี่คือกําจัดความไม่รู้เป็นตัวปัญญาคือจะต้องรู้จักกิเลสและจะต้องรู้จักสิ่งที่ไปกําจัดกิเลสจะต้องรู้นะจะต้องรู้โทษของกิเลส มันก็รู้ยากไหมเงนันไม่ใช่งา่ายแล้วจะต้องรู้ว่าวิเวกนั้นเป็นยังไงเราจะไปวิเวกยังไงสงัสงสัดข์กายนะสังัดอย่างไรโดดเดี่ยวกายโดดเดี่ยวอย่างไรความเป็นผู้มีสิ่งนี้คือญาณญาณอันนี้ก็คือการที่จะกาหนดรู้สภาวะของกิเลสและก็ของกุศลนั่นเองว่ามันมีลักษณะไม่เหมือนกันแล้วก็เกิดแล้วก็ดับ แต่กี้บอกว่าเป็นความเป็นผู้มีสิ่งนี้หมายถึงความพออันนั้นก็คงไม่ถูกแล้วอันนี้หมายถึงอโมหะนั่นเองยานที่จะเข้าไปกําหนดรู้ความจริงของสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ของทุดงหรือผลของทุดงเนี่ยเข้าไปรู้โอเรามีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้จริงๆอะโลภะมันเกิดจริงๆริงอโมหะมันเกิดจริงๆในคุณธรรมแล้วมันให้ความสุขจริงๆเราลองคิดดูแล้วกันว่าเราไม่อยากได้อะไรเลยเนี่ยสักหนึ่งนาทีหรือห้านาทีเราจะมีความสุข เมื่อเราเทียบกับเราอยากได้จิตใจมันจะเต้นไม่เหมือนกันใจจะเต้นไม่เหมือนกันนะความสบายจะไม่ไมเกิดกับโลภะไ ม, ไ, มไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเราจะต้องสังเกตเห็นบางคนโลภะมากก็อาจจะตายได้นะดูมวยชกกันแล้วก็หัวใจวายตายที่บอกว่าตื่นเต้นมากมาีมีโลภะมากมีโทสะมากมันก็ ทำให้ลมไปตัดครัวหัวใจได้เพราะฉะนั้นให้ความสุขอย่างนเนี้ยเนี่ยมันจะต้องเกิดจากผู้ที่เข้าไปเห็นความจริงของสภาวธรรมที่ตัวเองได้มีอยู่ในใจนะคืออโลพะอะโมหะเหล่านี้บัรดาอโลพะและอโมหะเหล่านั้นอโลพะก็กำจัดความโลภในวัตถุที่ต้องห้าม เอั น, นี้ไม่ได้นะเรารับไม่ได้เช่นเป็นต้นว่ายังไงอ่ะสมมติว่าถือจีวอนไตรจีอาถือบังสุกุลจีวอนใช่ไหมผ้าที่เปื้อนฝุ่นที่เขาทิ้งแล้วจะไม่รับผ้าที่คนมาถวายด้วยมือถ้าจะอย่างเบาก็ให้เขาวางที่เท้าอย่างนี้จะเที่ยวแสวงหาไปตามกองขยะเจอผ้าแล้วก็ดีใจ เก็บมาซักมาเย็บมาตัดตามป่าตามต้นไม้ของที่ไม่ไม่ใช่ผ้าบางสุกุลนะไม่เอาไม่รับหรือบินทบาตก็เหมือนกันเนี่ยสมมติว่าเที่ยวไปตามลำดับตรอกอย่างนี้นะไปตามลำดับไปถึงเจอแล้วหนึ่งบ้านเขาใส่แค่ไหนก็รับแค่นั้นแล้วก็พอแล้วอย่างนี้ไม่เอาเกินอีก เขาตามมาถวายทีหลังก็ไม่รับแล้วอย่างนี้จะมีจะมีอะไรเราเป็นเครื่องที่จะช่วยก็ต้องอโลพะอะโลพะก็ต้องห้ามโอ้อันนี้ไม่ได้นะ น, นี่ไม่เอาส่วนอโมหะก็กำจัดทำลายโมหะความไม่รู้ซึ่งโทษของวัตถุที่ต้องห้ามเหล่านั้นแหละเอ๊ไม่รู้นี่ว่า อันี้อนี้นี่ไม่สมควรก็ไปเอาเข้าไปไปไ ป, ไปรับเข้าแต่เมื่อเกิดปัญญาแล้วจะรู้ว่าโอ้ของสิ่งนี้ไม่สมควรแก่เราผู้ประพฤติทุ ด, ดงเขาไม่รับเขาไม่ทำํำนะอย่างเช่นเป็นต้นว่าเราถือทุ ด, ดงข้อเขาให้ที่อยู่อาศัยอย่างไรก็รับอย่างนั้นอย่างเนี้ยพอไปถึงแล้วเขาไปให้ที่อยู่นึงมันแย่เหลือเกินเราก็กําหนดได้ว่าอันนี้เนี่ยที่อยู่อันนี้มันไม่มีโทษนะ เพราะว่าไม่มีใครเ็าปรารถนาแล้วเรามาอยู่ได้อย่างสบายแล้วก็อยู่ไปอันนี้ก็เป็นปัญญานะที่จะต้องกำหนดโทษของสิ่งที่ต้องห้ามนั้นทีนี้การกำจัดกามาสุ ข, ขันลิกานุโยกนะคือการประกอบัวพุ์ในกามาสุขเนี่ยจะต้องทำด้วยอโรพะคือสิ่งที่พระเจ้า อนุญาตเท่านั้นเราจะใช้สิ่งที่ทัดไม่อนุญาตแล้วเราจะไม่ใช้เพราะมันจะทําให้เราได้รับความสุขในทางที่ผิดคือการ ม, มาสุขอันเกิดจากโลภก็ต้องใช้อะโลภเเป็นหลักว่าไม่เอานะอันนี้ไม่เอาจีบอลอย่างนี้ไม่เอาเพราะเราถือทุ ด, ดงจีบอลดีมีค่าอย่างนี้เราไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไมรับบินทบาทอย่างนี้เราไม่ทําที่อยู่อย่างนี้เราไม่อยู่ อย่างนี้นะแล้วก็ใช้สอยสิ่งที่พุทธ เ, เจ้าอนุญาตด้วยอะโลพาก็เป็นอานกำจัดการมาสุขันลิการุโยกมันแปลว่าประกอบตนเนี่ยตนก็คือใจกายเนี่ยพัวพันอยู่ในความสุขทางกามไม่ทำทีนี้อัตตะคิลมัฐานุโยกทรมานกายก็จะไม่ทำนะด้วยปัญญาปัญญ า, าโออันนี้พพุทธ เ, เจ้าถือว่าเป็นการ ทรมานทางกายด้วยความเห็นผิดก็ต้องเว้นได้วเออไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่เอาเราไม่ทําตรงนี้เราไม่ทําวิธีนี้ไม่ทําแบบนี้ก็เป็นการขัดเกลีอย่างยิ่งในทุดงทั้งหลายด้วยอะโมหะเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมสองตัวเนี่ยเป็นตัวทุดงคืออะโลพะและอะโมหะอะโมหะคือปัญญาเป็นเครื่องกําจัดอะไรกําจัดโลพาและโมหะจะทําให้เกิดความสุขสบายว่าที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ทรมานกายนะบางท่านก็บอกอไปทรมานกายทําไม ก็มีอะไรก็ใช้ไปสินะปัจจัยสี่ดีๆก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าไม่รู้ว่าบางทีมันเป็นโลภะบางทีก็ไม่รู้ว่านั้นเป็นโมหะเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดโทษอย่างเนี้ยจะต้องอาศัยกุศลธรรมสองอย่างนี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสท่านบอกว่าพึงทราบทุดงสิบสามทุดงมีสิบสามข้อท่านก็ ยกตัวอย่างมาเพียงสองข้อคือถือผ้าบังสุกุลเป็นประจำผ้าเปื้อนฝุ่นเป็นประจำและก็สุดท้ายเลยภิกษุผู้ถือการนั่งเป็นประจำนั่งยืนเดินไม่นอนเพื่อทำความเพียรเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติทุดดงเพื่อกำจัดความเกียดคร้านจะเดินวิทยะความเพียรอันนี้พระภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้า ประพฤษิปฏิบัติกันโดยปกติเช่นภาษารีบุตรเนี่ยถือทุดงตั้งตั้งแต่บวชนะมั้งตั้งแต่บวชจนกระทั่งปรินิพานแต่ว่าท่านไม่เลิศนะไม่เลิศไม่เหมือนพระมหากัรสปะนี่เป็นผู้เลิศทางทุดงเลยพระผู้มีพระภาคทรงสถาปนาพระมหากัศสปะไว้ในตำแหน่งเอตัทะคะในระหว่างภิกษุผู้สอนทุดงว่า มหากรสปะเทระนี้เป็นยอดท่านกล่าวว่าพระมหากรสปะองค์นี้นะที่ว่าพระมหากัสปะเพราะมีกัสปะหลายท่านเช่นอุลุเวละกัสปะนาทีกรสปะขยากสปะกุมารกรสปะเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งว่าเป็นมหากรสปะทีนี้จะต้องศึกษาประวัติของท่านแล้วนะเพราะว่า ไม่ใช่อยู่ดีๆท่านจะมาได้เป็นผู้เริดทางทุดงท่านได้ทำเหตุปัจจัยของท่านเอาไว้คือกรรมดีของท่านเอาไว้ในอดีตแล้วก็ไม่หวงห้ามด้วยว่าผู้ใดจะทำกรรมดีเช่นท่านเนี่ยก็ก็ทำได้ในเถรคาถานเนี่ยกล่าวไว้เลยว่าท่านสร้างพุทธเจดีบูชาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ขอให้ได้เป็นพระภิกษุผู้เลิศในการถือธุดงเรื่องของพระมหากัรสปะมีกล่าวไว้ในหลายที่นะเช่นในอังคุตระนิกายเอกานิบาตหรือขุธกานิกายเถระคาถาซึ่งจะเป็นคาถาของท่านที่ท่านกล่าวกล่าวสอน แล้วก็มีกัศปะสังยุตในสังยุตตานิกายและก็ในคุธณธรรมนิกายอปทานอปทานเนี่ยหมายถึงเหตุเดิมเหตุดั้งเดิมกรรมดั้งเดิมที่ทําครั้งแรกเพื่อจะได้มาเป็นพระมหากัสปะแต่ว่าคุ ณ, ณธรรมพิเศษของท่านนะ่ะที่น่ายกย่องน่าเลื่อมใสยอย่างยิ่งเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือการประพฤติพรหมจรรย์นในชาติปัจจุบันเนี่ยทั้งครือขัดและเมื่อออกบวช ก็ประพฤติประมาจั์อย่างยอดเยี่ยมอย่างบริสุทธิ์เลยอันนี้เป็นเป็นข้อประพฤติที่น่าเลื่อมใสเป็นชีวประวัติที่ที่ที่น่าน่านับถือนะเพราะว่าหายากนะที่ที่จะมีเพศครหัส่าก็บริสุทธิ์แล้วก็มาบวชก็บริสุทธิ์ด้วยอีกประการหนึ่งก็คือการบวชของท่านก็เป็นเรื่องพิ ศ, พ ศ, พศดาลไม่เหมือนพระภิกษุรูปอื่น ท่านบวช ด, ด้วยโอวาทที่พระเจ้าให้สามข้อก็แปลกดีแล้วคุณธรรมพิเศษพิเศษของท่านเนี่ยคือการถือทุดงก็แสดงว่าท่านมีความสันโดษมักน้อยอย่างยิ่งมีอโลภะมีอโมหะอย่างยิ่งเลยคืออาศัยคุณธรรมสองข้อนี้แหละคืออโลภะไม่ไม่อยากและอโมหะปัญญา เข้าไปรู้พิจารณาได้ในกุศลอกุศลต่างๆที่ที่เกิดขึ้นครับจิตใจเนี่ยสามารถทำได้และขัดกลาวกลียสได้ด้วยอาโมหะนั่นแหละแล้วยังมีคุณธรรมที่พิเศษของตัวท่านเลยก็คือความกระตันอยู่กระแตเวทีเคารพอย่างแรงกล้าในพระรัตนตรยัยก็จะเห็นได้จากการที่ ท่านได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกท่านก็รู้เลยว่าเป็นพระพุทธเจ้าเข้าไปทําความเคารพแล้วกล่าวเลยว่าขอพระพุทธเจ้าจงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ขอข้าพระองค์จงเป็นศิษย์นะมีความเคารพอย่างแรงกล้ามากนอกจากนี้เมื่อมีเรื่องที่เกิดขึ้นทําความเสื่อมเสียให้แก่ศาสนาท่านจะเป็นผู้นําในการกําจัดเรื่องเสื่อมเสียนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทําสังขายาาคือชําระพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ไม่ให้คนชั่วมาจ่วงจาบดูหมิน่นดูถูกไม่เคารพพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าได้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจอย่างนั้นคือกระตันยูรู้คุณของพระศาสดากระตเวทีตอบแทนคุณพระศาสดาอย่างยิ่งเลย แล้วประการต่อมาก็ท่านเป็นคนจริงนั่นเองนะเป็นคนมีมีความจริงทั้งวาจาทั้งการกระทาเป็นคนเด็ดขาดทำอะไรที่ลักษณะเป็นผู้นำแต่แท้จริงอะไรวันพรุ่งนะี้เป็นวันวิสาขะก็ได้ปรารบกันเรื่องวันวิสาขะกับโยมคนหนึ่ง โยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีการกระทำอะไรทิ่งซึ่งเป็นการยกย่องคุณของพระพุทธเจ้าให้เห็นโดยชัดแจ้งของบรรดาพระภิกษุในวัดต่างๆบอกว่าเนี่ยมีการจัดสัปดาวิวสาขะบูชาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นเรื่อง แสดงให้เห็นความสําคัญแสดงการบูชาสําคัญสําคัญในวาระที่มาครบบรรจบเนี่ยโดยเฉพาะทางพระภิกษุหลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายหรือประวัติของพระองค์ที่ได้บําเพ็ญบารมีมามากมายควรแก่การรู้ควรแก่การศรัทธาก็ไม่ได้เอามาเผยแพร่ะอะไรให้เต็มที่อันนี้ก็ ก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างนั้นนะนะในสมัยยุคนี้เราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกอัตรกถากันเป็นหลักเพราะนั้นการที่จะรู้คุณพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยถูกต้องและก็โดยทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงเนี่ยจะไม่ค่อยมี เราจะรู้ลึกซึ้งในเรื่องสิ่งใดเราจะต้องให้ความสำคัญสนใจเสพคุณอยู่นะเกี่ยวข้องอยู่มากๆอย่างประวัติของพระพุทธเจ้าจะต้องเข้าไปรู้อย่างละเอียดและพิจารณาอยู่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเรียกว่าพุทธานุสตินั่นแหละจึงจะสามารถเกิดการบูชาที่ดีออกมาได้นะ ไม่ได้ไขค ร, ครวรพิจารณาอยู่เนี่ยมันจะไม่มีการรู้สึกอะไรเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบุญคุณอะไรแก่เราให้อะไรแก่เราให้ประโยชน์ให้ความสุขอะไรแก่เราแล้วกว่าท่านจะมาให้เราได้นั้นนะ่ะท่านได้ลงทุนประพฤติอะไรบ้างเสียสละอะไรบ้างเนว่าโดยย่อๆ อ, อย่างที่บอกว่าบริจาคดวงตาเนี่ย ในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยมากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเราเคยรู้สึกนึกถึงอย่างนี้บ้างไหมหรือว่าบริจาคศรีรษะบริจาคชีวิตเนี่ยให้แก่ผู้อื่นเนี่ยมากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปซะอีกหรือว่าในโลกนี้ซะอีกเนี่ยการบำเพ็ญบารมีของผู้เทวเจ้าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ แม้เพียงพระมหากัสปะเทระนีที่ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาก็ เ, าเป็นสิ่งน่าอาจจัศจรรย์แต่ก่อนอื่นจะนำเรื่องปัจจุบันของท่านมาแสดงนะมาแสดงเอาพอพอให้รู้จักตัวท่านได้พอสมควรมีมีเรื่องของท่านเนี่ยแสดงไว้ในหลายที่นะ แต่ว่าจะเอาเริ่มตั้งแต่ในปัจจุบันชาติชาติที่แล้วของพร ะ, พระมหากัสปะนั้นได้เป็นพรหมอยู่นะในพรหมโลกแล้วละจากพรหมโลกนั้นแล้วได้มาเกิดในกรุงนาในกรุงนารันทานะ ในกรุงนาลันธาก็กรุงนาลันธานี้ก็อยู่ในแคว้นมคธเมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นในโลกประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์โดยลำดับคือพระพุทธ เ, เจ้านี่ตัดสู้ที่ริมฝั่งแม่ น, มน้ำเนรัญชลาแล้วก็ มาแสดงธรรมจักให้แก่บรรดาขี่แล้วจึงเสด็จมาที่กรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามที่พระเจ้าพิมพิสารเคยขอเคยขออติญญาไว้จากเจ้าชายสิทธัตถะในสมัยที่เป็นโพธิสัตว์แต่ว่าถ้าเผื่อตัดสรุแล้วให้เข้ามาโปรดด้วยเมื่อพระาาสาสดาประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นั้นปิดภริ มานพนี่ก็คือพระมหาสปะนั่นเองคือเดิมชื่อปิดภริบังเกิดในท้องภรยาหลวงของก บ, บิละพามบิดาชื่อก บ, บินนะเป็นพามในพรามนาคามในบ้านของพามชื่อมหาติดะในมคตทัรในรัฐของพระเจ้าพิมพิสารเหมือนกันทีนี้ภรรยาของท่านนะซึ่งก็เป็นพรหมเหมือนกันน่นะ ชื่อนางพัทธาปิลานีก็ได้มาเกิดเหมือนกันในท้องของภรรยาหลวงของพรหมโกสิยะโคดในสาขละนครในมครลับเหมือนกันแม้ชนทั้งสองนั้นก็เติบโตขึ้นโดยลำดับเมื่อนางพั ท, พทธาปิลานีมีอายุถึงปีที่16แต่ว่าปิพริมานพนั้นอายุได้ยี่สิบ มารดาบิดามองดูบุตรคือมองดูปิดพริมาณนบแล้วก็ได้แค้นใครอย่างหนักว่าพ่อเจ้าก็เติบโตแล้วธรรมดาว่าวงตระกูลจำต้องให้ดำรงอยู่ควรที่จะมีภรรยามีบุตรคือคนเราเนี่ยมันกลัวเหลือเกินว่านามสกุลมันจะสูญทรัพย์สมบัติจะไม่มีใครมารับไม่รู้กลัวทำไมนะวงสกุลมันก็เรื่องของวงมันไม่เกี่ยวกับมันตั้งกันขึ้นมานะ ตั้งเง้นขึ้นมาแล้วก็สูญได้แย่วได้วงสกุลของเราเลยวงพระอรหันยังสูญได้เลยทำไมเราจะต้องไปกลัวแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของความโลภในความโลภเนี่ยมันเอาเหตุผลมันไม่ได้เดี๋ยวนามสกุลเราจะไม่มีใครใช้ต่อสมบัติพระสถานของเราจะไม่มีใครรับมรดกจะต้องหาทางให้มันมีคนมารับให้ได้ไม่มีลูกก็ไปขอเข้ามาเลี้ยงก็ยังได้ ห่วงเหลือเกินไอ้วงสกุลไปห่วงมันทำไมชาติหน้าก็เปลี่ยนนามะกุลแล้วนะไม่ไมีใกลอ้อยู่กันใช้นามะกุลนี่ก็ไปตลอดหรอกนะไปอยู่วงอื่นแล้ววงนาลกวงเปรตวงนาจุลกายอะไรก็ได้หรือถึงจะกลับมาเกิดใหม่มันก็ไม่ได้อยู่วงเก่าก็แล้วนะไปอยู่วงไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องไปห่วง พวงว่าไอชาติหน้าเนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนวงเนี่ยมันแปลว่าต่อเนื่องกันใช่ไหมวงของเราอะตัวเราเองเนี่ยมันจะไปเกิดไปเกิดชาติไหนหไปเกิดเป็นอะไรแล้วสะสมกรรมดีป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายภูมิวงนะต้องกันไว้ยังไน